อ, อก็เมื่อไม่เ <c oughs> มื่อไม่กี่วันมานี้ก็ได้รับนิมนต์ไปงานชาปนกิจศพนะแล้วก็ให้นิมนต์ให้เทศก่อนที่จะมีการเผาศพก็ไม่รู้จักกับคนที่เสียชีวิตแต่อย่างใดนะแต่ว่าให้ปเทศนี่มันก็เกี่ยวกับเขาก็ต้องรู้ว่าประวัติเป็นอย่างไรบ้างอเป็นคนนิสัยอย่างไรอในขณะมีชีวิตอยู่มีความประพฤติเป็นอย่างไรนะ ก็ไปเจอคนที่เขารู้จักเซนิตขนมดีก็บอกว่าเป็นคนดีนะ่ชอบทําบุญเข้าวัดไม่เคยทําความชั่วเลยน ะ, อะพอเรารู้ประวัติเงี้ยเราก็พูดได้ตามด้วยความสบายใจขึ้นเนาะแต่เราบอกประวัตินี้ไม่ดีนะเป็นคนผิดศีลผิดธรรมทาแต่สิ่งไม่ดีมาไม่เป็นคนดีแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันนะพูดไปก็ไมก่กโกหกคนเขาเพราะนั้นะบางทีอ่า สิ่งที่พูดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่อต้องเป็นความจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าไปพูดงานศบต้องพูดไปในสิ่งที่ดีๆนะแต่แล้วก็มีสิ่งไม่ดีแล้วก็พูดไม่ได้อีกใช่ไหมเออมันก็เป็นเรื่องอย่างนั้นนะอ่ะอรานี้ก็เป็นข้อเตือนใจอย่างหนึ่งว่าอ่าก็คือสักวันหนึ่งก็จะเป็นงานศพของเรานั่นแหละใช่ไหมคราวนี้ถ้าเรามีแตนะ่สิ่งไม่ดีนะทําแต่สิ่งไม่ดีมาอ่าไม่รักษาสีลงห้านะอ่า ไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติธรรมไม่ทําความดีต่างๆนะก็คือเป็นคนทําความชั่วมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยอันนั้นอาจจะทําความหนักใจเนาะให้กับคนที่ต้องมาพูดประวัะวติของเรานะหรือพระทนิสมาเทศอนะงานสมเราก็คงจะหนักใจเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนเราทําแต่สิ่งที่ดีแล้วเนี่ย มันก็ไม่ได้หายไปไหนนะ เ, เวลาคนที่เราตายเข้าตายไปเนี่ยก็มันก็ตายไปแต่ร่างกายส่วนจิตใจหรือคุณงามความดีก็ยังอยู่ในความระลึกได้ของทุกๆคนนะตายไปนานขนาดไหนแต่ความดีเมื่อใครระลึกถึงก็ยังนึกถึงความดีของคนนั้นได้อยู่นะเหมือนกับผู้ที่มีบุญคุณกับประเทศของเราในอดีตนะเช่นพันนาเรสวนมหาราช พระเจ้าตากศินมหาราชนะหรือว่าพระกุลามคําแหงนะพระจุฬจอม9้านะอันนี้พวกเราก็ไม่เคยลืมนะท่านมีแต่ความดีนะช่วยกู้ชาตินะช่วยปกปักรักษาบ้านเมืองเรานะหรือนะครูบาอาจารย์ต่างๆที่จากเราไปเราก็ระลึกถึงความดีของท่านมากมายนะเรื่องขเทียนนี้เราก็ระลึกถึงทุกวัน การไหว้บูชาท่านทุกวันนะเปิดฟังคําสั่งสอนของท่านทุกวันแล้วเราก็ปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านให้เรามาทุกวันเนี่ยก็เป็นถือว่าเราตอบแทนบุญคุณของท่านนะโดยพ่ อ, อย่างยิ่งนะผู้ที่มีบุญคุณที่ยิ่งใหญ่กับพวกเรานะอที่เหนือกว่าพ่อแม่ของเรานี่แหละก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองนะนะก็คือพ่อแม่เราเนี่ยให้ร่างกายเราเกิดมานะให้ร่างกายเราเกิดมานะ อันนี้ถือว่ามีบุญคุณที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าผู้ที่ให้กำเนิดในจิตปัญญาณของเรานี่ที่แท้จริงก็คือธรรมะนั่นเองนะธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั่นแหละถ้าหากว่าเราเกิดมาแล้วนะเราเราไปอยู่ในทวีแอฟริกาอยู่ในทวีแอฟริกาน่แหละล้อมรอบตัวเรานี่ก็มีแต่สลัมมีแต่การยาเสพติดฉชกชิงวิ่งรลว ข่มขืนกันนะมีแต่การเบียดเบียนกันอันนี้เราจะเป็นคนดีได้ยากมากเลยนะเพราะเราอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นเราไม่มีธรรมะอะไรนะก็คือเราเกิดมาแต่ร่างกายแต่จิตใจของเราเนี่ยเราไม่ได้มีการพัฒนาขึ้นมานะนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของเราที่เราได้มาเกิดในประเทศไทยนะประเทศไทยนี่จริงๆแล้วถือว่าโชคดีมากนะพอเคยคุยกับนะหลายๆ คนที่มาจากต่างประเทศแม่จะรับถือพุทธศาสนาเหมือนกันก็ไม่โชคดีเหมือนเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยนี้ถือว่าดีมากแล้วนะในพุทธศาสนานเราถือว่ามีความอุดมสมบูรณ์นะถ้าเป็นพระเนี่ยก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะเรีวยกว่ามีความสุขมากกว่าที่อื่นนะยังยกตัวอย่างไปบิณธบาตนะนะั่นแหละถ้าเคยไปบินธบาตที่ศรีลังกาจะรู้ว่าเราต้องไปยืนรอรนะอญาติโยมเข้ามาใส่ ต้องไปยืนบางทีรอต้องนานบางทีเขาก็อาจจะไม่ใส่แต่เขาก็ไม่บอกนะเราก็ต้องยืนรอไปสักระยะหนึ่งจนรู้ว่าเขาไม่ใส่หน้าก็ต้องเดินไปที่อื่นอ่าไปยืนรอต่อนะอ่าแต่ถ้ามาอยู่เมืองไทยนี่ก็บินธบาดนี่ญาติโยมจะมารอเราเองนะเราไม่ต้องไปยืนรอเนี่ยอันนี้ก็คืออ่าคนที่อยู่ในเมืองไทยนะไม่ใช่ว่าจะเฉพาะพระแต่ญาติโยมก็จะได้รับในสงเช่นนี้เหมือนกันนะเพราะว่าเรามาอยู่กินกันอย่างเงี้ยเราไม่มี อ่าที่เรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายของเราเองแต่ว่าเกิดจากญาติโยมนะ่ยที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนาอ่านะก็อุปถัมภ์ค้ำชูกันมาเนาะให้มีการพวกเราได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่กันนะอันนี้ก็ถือว่าเราเกิดมาในสถานที่ที่ดีนะเขาเรียกว่าอ่าเกิดมาในที่ที่ว่าเราเนี่ย ปฏิรูปรเทสวาโสจักุเพกะตะปุญญาตาก็คือเราเกิดมาในประเทศที่อุดมสมบูรณ์นะก็เกิดจากบุญเก่าที่เราเคยทำเอาไว้นั่นเองนะก็คือเกิดมาในร่มเงาของพระพุทธศาสนานี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราเกิดมาเนี่ยแหละเราเกิดในทางกายแต่จิตวิญญาณนี่เราได้เติบโตขึ้นมาในตรงนี้หรือยังนะการที่เราจิตวิญญาณเราจะเติบโตไหมแล้วก็สังเกตเอาได้ว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้สวด โอวาดปฏิโมกน่จริงๆก็มีอยู่หลายข้อแต่ก็สรุปได้เป็นหลักใหญ่ๆอย่างนี้ว่าสัพพาปัสสะอักระนังอาการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสมัาการทำกุศลในถึงพร้อมสัจิตตะประโยชน์ทปนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนาะอันนี้ถ้าเรา มีการพัฒนาในสามหลักนี้ก็ถือว่าเรามีความเติบโตในจิตวิญญาณของเราตั้งแต่เลือกเริ่มต้นและท่ามกลางจนถึงที่สุดนะตรงเนี้ยมันเป็นหนทางของเราหนทางนี้ก็คือหนทางในการจะทยพนทุกข์ได้นั่นเองนะถ้าเราไม่พบหนทางนี้นะเราก็ไม่พ้นทุกข์เพราะจริงๆแล้วพุทธศาสนานต่างจากอศาสะนาอื่นๆนะศาสะนาอื่นๆนี้ก็จะเป็นการเชื่อใน เป็นกลุ่มชนกลุ่มชนเขาก็ตั้งอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งแล้วเป็นความเชื่อในตามนั้นนะซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะอาจจะไม่ตรงกับสศธรรมก็ได้นะแต่ว่าพุทธศาสนานี่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาแต่ว่าถือเป็นศาสนานะศาสนมก็คือยิ่งใหญ่กว่าศารรสนาศาสรารก็คือความจริงนั่นเองนะความจริงที่พระเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้นะก็คือเมื่อ ทรงแสดงไว้ในตรงนั้นก็คือพระพุทธเจ้ทรงเดินผ่านตรงนั้นมาแล้วนะคือว่าทรงทำด้วยตัวของท่านเองแล้วเนี่ยจนว่าท่านเกิดความเข้าใจจากการที่เมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสมันพวกเราเนี่ยแหละมีความโลภความโกรธความหลงมีความทุกข์เหมือนกันนะแต่พระองค์ก็จะทรงผ่านตรงนั้นมาแล้วก็คือได้ทรงศึกษาในวิธีการต่างๆมามากมายนะอันนี้ไม่ใช่ว่าท่านอยู่ดีๆท่านจะสําเร็จเลย แต่ว่าท่านต้องไปทดลองค้นคว้าหรือก็เหมือนกับพวกเราเนั่นแหละก็ไปแสวงหาตามสำนักต่างๆเหมือนกันนะท่านก็เข้าไปในครูบาอาจารย์มากมายนะหลายๆสำนักเลยนะจนมาถึงตอนหลังท่านก็มาพบ อ, อุทกกระดาบดและอาราลระดาบดเนี่ยทั้งสองท่านนี่เก่งมากนะั่นเรียกว่าถ้าเป็นสมาธิก็ถือว่าสูงที่สุดแล้วนะก็เพราะว่า สามารถเข้าได้ถึงระดับอรูปฌานสุดท้ายนะทั้งอรูปฌานเจ็ดอรูปฌานแปดซึ่งสูงนิสุดแล้วนะแล้วพระพุทธเจ้าก็ไปศึกษาในตรงนั้นก็ท่านก็สำเร็จโดยใช้เวลาอันรวดเร็วขนาดได้รับการอยอมรับแล้วก็ให้สามารถที่จะเป็นครูบาอาจารย์ได้ด้วยแต่เพื่อก็ทรงพิจณาเห็นว่านี่ไม่ใช่หนทางแห่งความพทุกข์เนาะ คืออันนี้เป็นความที่มีสติปัญญาของอพระเจ้าอเพราะฉะนั้นคนที่ไม่มีสติปัญญาก็จะ ไ, ไปติดอยู่แค่นั้นโอ้ตรงนี้มันเป็นทางพ้นทุกข์แล้วนะไม่มีอะไรเลยเ น, นวสัญญาณนาะสัญญานะ ญ, ญานะบินญาณัญจญาญาณะหากินจัญญาญตนะมันก็คือไม่มีอะไรทั้งสิ้นมันก็เหมือนกับตรงนี้มันน่ได้สุดแล้วเนะี่ยไม่มีอะไรแล้วนะแต่พระเจ้าก็ยังทรงเห็นว่าเออมันไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะ มันยังไม่ถึงที่สุดนะก็เลยออกจางนั้นมาได้ก็ไปค้นหาต่อแสดงว่าพระเจ้าไม่มีปัญญาสูงมากเห็นว่าตรงไหนมันสิ้นสุดหรือตรงไหนมันไม่สิ้นสุดนะคร น, นี้ก็คน้นค้นด้วยตัวท่านเองนั่นแหละจนว่าเออจนก ร, กระทั่งพบอริสัตสี 4, นะตัดสู้ในตรงนั้นก็ว่าเออเราสามารถที่จะตัดสู้ในตรงนี้ได้เองนะอันนี้เป็นหนทางที่ว่าท่านเดินผ่านมาแล้วจริงๆ แล้วท่านเอาหนทางที่ท่านเดินผ่านมาแล้วเนี่ยก็มามาบอกกับคนอื่นให้เดินตามนะผู้ที่เดินตามนั้นไม่จําเป็นจะต้องเป็นชาวพุทธนะอาจจะเป็นาศาสนาอะไรก็ได้นะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยแค่เดินตามเท่านั้นเองก็สามารถพ้นทุกข์ได้ทุกทุกคนนี่ถึงว่าเป็นสัจธรรมนะศัจธรรมก็คือไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มชนแต่ว่าเป็นใครก็ได้ในโลกนี่แหละถ้าเดินตามนี้ก็จะพ้นทุกข์ได้เหมือนกันอันนี้นะ จึงว่าพระพุทธเจ้านี่นะท่านเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพ่อแม่ของเราที่จะนําจิตวิญญาณเราให้พ้นทุกข์ได้นั่นเองนะจึงว่ามีอบุญคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ของเราเนะพราะถ้าเป็นพ่อแม่แล้วก็ให้เราเกิดมาในชาตินี่นั่นแหะแล้วเมื่อเราตายไปแล้วนะถ้าเรายังมีกิเลสอยู่แล้วก็ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ไม่รู้จักจบจากสิ้นนะแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อแม่ของเราที่แท้จริงแล้วมันจะได้จบสิ้นได้นะเราก็ จบกันนะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดเราก็พ้นทุกได้อย่างแท้จริงนะ ก, ก็คิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้นะประมาณน่าจะ 90% กว่า็ก็คงจะหวังในตรงนี้ว่าชาตินี้นะให้เรามีโอกาสถึงที่สุดแห่งทุกน ะ, ะคิดว่าส่วนใหญ่ก็คงจะหวังเช่นนี้นะหรือถ้าไม่หวังว่าชาตินี้ก็คงจะชาติไหนก็ได้นะก็คือเรามุ่งความพ้นทุกนั่นเองนะแต่เราก็มีความหวังแล้วละ่ะว่าเราจะต้องพ้นทุกให้ได้ อันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะถือว่าเราหวังในถูกต้องนะเพราะฉนั้นเราจึงมารวมกันในตรงนี้นะแล้วก็วกที่จะปฏิบัติในขนทางที่ว่าเราคิดว่าน่าจะพ้นทุกได้นะซึ่งหลวงพ่เทียนก็บอกว่าวิธีของท่านนั้นก็คื อ, อมาเจริญสติกันนะหลวงพ่เทียนก็ยืนยันในตัวท่านเองเหมือนกันนะบอกว่าเออย่าง อ, อย่งช้านะัไม่เกิน3มปีนะอย่างกลางก็ไม่เกิน90วัน อยังเร็วก็ตั้งแต่หนึ่งวันถึง90บวันนะก็ถือว่าถือว่าไม่ช้านะไม่ช้าเกินไปว่าพวกเราเนี่ยไปบัตรได้ตรงไหมนะถ้าแบบตรงแล้วเนี่ยเราก็มีการเทียบพันทุกได้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ว่ต้องกี่วันจริงๆก็ไม่จําเป็นจะต้อง3ปีหรอกจะเจปีสิปีหรือ50ปีก็ยังคุ้มค่าเลยนะถ้ามันพ้นทุกได้จริงในชาตินี้นั่นแหละแต่ถ้าเราไปตั้งความหวังต้องกี่ปีหรือต้องกี่วันอันนี้เรา ไปคาดหวังตรงนั้นมันจะเป็นการบีบคั้นเราเองแล้วเราก็จะไม่พ้นทุกข์จริงๆนะจะไปตั้งความหวังตรงนั้นก็ไม่ได้นะหรือแม้แต่เราปฏิบัติธรรมเราก็ยังไปตั้งความหวังไม่ได้เลยว่า เ, เราไปบัตรแล้วต้องมีสตินะต้องมีสมาธิมีปัญญามีความรู้สึกตัวเราไปตั้งยังก็ยังไม่ได้เหมือนกันนะ เ, เพียงแต่ว่าตรงนั้นมันอาจจะเป็นตันหาเพราะเราอาจไปคาดหวังในตรงนั้นมากเกินไปนะ หลวงพ่อเทยียมมว่าอยากยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยา่างมีก็คือเราเมื่อปฏิบัติไปแล้วก็ปฏิบัติด้วยฉันทะก็แล้วกันนะปฏิบัติด้วยความพอใจที่จะปฏิบัติแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติเพื่อว่าต้องหวังว่าต้องได้อะไรหรือจะต้องได้อะไรต้องบรรลุอะไรจะได้ไม่เป็นตันหาในี่ตรงนั้นก็คือทําแบบสบายๆนั่นเองนะอมันจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกนั่นแหละวางใจใสบายๆ ทำเล่นๆแต่ทำไปเรื่อยๆนะอันนี้ครูบาอาจารย์ก็บอกอยู่นะทำไปเล่นๆก็ทำไปเรื่อยๆนั่นเองนะไม่ได้ไปหวังอะไรแต่ทําเรื่อยๆทําเล่นๆทําเล่นๆก็ไม่ว่าทําแบบไม่รู้เรื่องนะหรือทําแบบฟุ้งซ่านหรือทําแบบใจลอยเกินไปอันนั้นก็อาจจะไม่ถูกต้องเนาะก็คือเราก็วางใจในระดับที่มันกลางๆก็แล้วกันนะไม่ไปเพ่งกัเข้ามากเกินไปไปเพ่งก็คือ ไปทําต่อเนื่องเป็นเหล็กเส้นนะเป็นเหล็กเส้นก็คือรู้ยาวๆอ่าถ้ารู้ยาวๆจิตก็จะทื่อนะตั้งใจรู้ยาวๆเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแข็งทื่อไปนะอ่านะเพราะว่าจิตเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะเครียดมันจะตึงนะทำไปไปเพ่งมันก็มึนหัวตามมานะเพราะว่าเราอยากก็ได้มากเกินไปนะอ่าเพราะว่ามางคล น, น, นี่อยากก็ได้ก็เลยไปเพ่งไว้ก็มีนะอันนี้ก็เรียกว่าทําแบบเหล็กเส้นนะ แต่หลวงมาเทียมมาว่าให้ทําตอนในื้อปลาลูกโซ่นะลูกโซ่ก็คือเป็นข้อข้อนะหรือว่าเป็นจุดจุดเป็นแบบไข่ปลานะเป็นข้อข้อก็คือมันจะไม่ยาวแบบเล็กเส้นนะก็คือมันรู้แล้วมันก็หลงได้เหมือนกันนะเพราะการที่มันหลงก็คือธรรมชาติของมันหลงได้อยู่แล้วนีะแต่ถ้ามันหลงบ่อยๆก็ไม่เป็นไรหลงแล้วกลับมารู้ใหม่อันนี้มันก็ได้สติขึ้นมาแล้วเพราะฉนั้นก็ไม่ต้องไปกลัวหลงนะหลวงมาเทียนก็เลยบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเป็นเสียงท่านเองนะ บอกยิ่งคิดก็ยิ่งรู้หรืออาจจะแปลได้นี่ก็ว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นั่นเองนะก็คือยิ่งคิดเนี่ยก็หมายความว่ามันมันหลงนั่นเองก็คือมันหลงคิดเป็นนั่นเองนะมันไม่ได้ตั้งใจคิดอะไรหรอกแต่มันหลงคิดไปเออถ้ามันคิดไปแล้วเรารู้กลับมาได้เออนี่เราก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะ อ, ะอะเพราะว่าสติก็คือความระลึกได้นั่นเองนะระลึกได้เราคิไดไปแล้วเรากลับมาเออเราก็ได้คะแนนแล้วนะ ถึงไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรเราแค่รู้มันคิดก็ใช้ได้แล้วนะอ่เราก็รู้เออมันคิดไปแล้วนะมันไม่กลับมาก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนะก็คือมันก็คิดไม่ยาวแต่เมื่อก่อนเราไม่รู้สึกตัวเมื่อคิดยาวไปเดี๋ยวก็คิดอ่าเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อมันจะต่อเนื่องแล้วไม่รู้หรอกเออบางทีคิดถึงเพื่อนคนนี้ปุ๊บอ่ามันก็ไปโยงกับเพื่อนอีกคนหนึ่งละอ่าไปโยงกับเพื่อนคนนึงก็ไปโยงกับเพื่อนอีกคนนึงต่อมันก็ต่อไปเรื่อยๆเลยนะอนง่ายะ เพราะว่าเราเราไม่มีอไม่มีที่ให้จิตอ่เป็นเครื่องอยู่นั่นเองนะอ่าเราก็ใส่ความรู้สึกตัวนี่แหละให้จิตเป็นเครื่องอยู่พอเขาคิดเรื่องหนึ่งคิดถึงเพื่อนกอไก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะขึ้นต่อเป็นเพื่อนขอไข่ปุ๊บเราจะเริ่มรู้แล้วเออมันจะต่อแล้วนะอ่าพอเรารุ้ยมันจะก็คิดต่อปุ๊บปุ๊บพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็กลับมาแล้วนะ่ะกลับมาอย่างเก่าแล้วใช่อ่าเพราะว่าเรามีเครื่องอยู่ของจิตนั่นเองนะให้เขารู้สึกตัวนั่นแหละใช่ไหม ครั้นี้มันคิดไปมากๆก็ไม่เป็นไรเราก็กลับมารู้สึกตัวใหม่ก็ไม่เป็นไรนะพอเป็นหลวงปู่เทียงบอกยิ่งคิดยิ่งรู้นะ่ะมันไปกลับมานี่เราก็ได้หนึ่งคะแนนแล้วนะเนี่ยไม่เป็นไรนะเพราะว่าความที่มันคิดนะ่ะมันไม่อยู่ความผิดของเราหรอกมันแสดงว่าเราบังคับบัญชาเพไม่ได้เท่านั้นเองนะเราเราก็ไม่ลาคาญเขาด้วยนะ อ, อคิดไม่เป็นไรคิดแล้วกลับมาคิดแล้วกลับมาแค่นั้นเองไม่ต้องไปบังคับให้เาหยุดคิดนะเพราะบางคนก็เลยคิดว่าเออ ปบัติไปแล้วนะความคิดต้องน้อยลงหรือเขาไม่คิดเนี่ยถึงจะถูกต้องนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเขาไม่คิดของเขาเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วแต่ไม่ใช่ว่าเราไปตั้งใจให้เขาหยุดคิดนะพอหลวงพ่เทียงก็บอกว่าไม่ห้ามความคิดนะคิดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าคิดไปแล้วเรารู้ทันไหมกลับมาได้ไหมเนี่ยตรงนี้นะมันสําคัญกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสําคัญว่าจะต้องไม่ไม่คิดหรือไปห้ามความคิดเนี่ยตรงนี้นะและการวางกายวางใจก็ต้องสบายๆนะ วางกายคลายวางใจยงกลางๆไม่เพ่งไม่จอ้องเพราะถ้าเราเราวางกายวางใจไม่สบายแล้วเนี่ยมันก็ปฏิบัติไม่ได้นานนะบางทีเราเดินโยงกลมเนี่ยถ้าเราเดินแบบไม่สบายไปคอยอคลายๆเดินช้าๆหน่อยคอยรู้ทุกๆย่างก้าวเลยรู้แบบทุกๆกระทบเลยอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สบายกายไม่สบายใจนะมันก็เกิดความเบื่อแลนะมันก็ทำไม่ได้เรื่อยๆนะ เพราะฉะนั้นถ้าใครเคยเห็นหลวงพ่อเทียนเดินอย่งกรมเนี่ยถ้าจะเดินแบบสบายๆ บ, บางทีตาท่ากนก็มองนู่นมองนี่นะมองไปรอบๆเลยทนะ่าทางการเดินท่านก็สบายๆนะไม่ได้เดินเร็วไม่ได้เดินช้าดูแลท่านมีความสบายมากนะแต่คิดว่าในความสบายนะั่นแหละท่านก็รู้สึกตัวอยู่เนาะเราก็แบบางใจสบายๆนะนะั่นแหละใช่ไหมมันก็คล้ายๆว่าเราก็ทําแบบเล่นๆแต่ก็ทำไปเรื่อยๆเนาะเนี่ยมันจะเออทำได้เรื่อยๆมันไม่มีความทุกข์เลยมาก ครัน้นี้ถ้าเราทําไปแล้วเราก็จะสังเกตได้ว่าเออมันก็เราก็จะเห็นอ า, อาการหลายๆอย่างของจิตนะเขาก็มีอาการต่างๆเกิดขึ้นเนะช่นความคิดต่างๆนะความเหงาความเครียดนะความเบื่อความหน่ายต่างๆตามมาเยอะแยะเลยหรือจะคิดหนักกว่าเก่าอีกนะอันนี้ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องของเขาเองนะไม่กเกี่ยวกับเรานะของเขาเองเรากลับมารู้สึกตวัวเฉย ๆ, ๆก็พอแล้วก็คือรู้โดยไม่ต้องคิดนั่นเองนะรู้โดยไม่คิดก็คือไม่เอาเราไปห้ามความคิด แต่เราก็ไม่ได้ไปยุ่งกับความคิดนั้นแล้วก็ไม่ไปช่วยก็าคิดด้วยมันเป็นมันเป็นอะไระคิดเรื่องอะไรนะตอนนี้เราตอนนี้เราเบื่อเราเราสงสัยอะไรอ่านะจริงๆมันสงสัยเมื่อจบไปแล้วนะแต่พอเราคิดว่าเราหาคาตอบอันนั้นก็เียว่าเราไม่ได้รู้เฉยๆแล้วนะอ่าก็คือรู้โดยไม่ต้องคิดนั่นเองก็คือแค่รู้ก็พอแล้วนะก็เกยว่าเป็นรู้เฉยๆนักด่อ่ารู้เฉยๆมันจะรู้อะไรก็ช่างมันอะ บางทีบอกว่าเออรู้การเคลื่อนไหวก็คือรู้การเคลื่อนไหวของมือนั่นแหละอ่ารู้การโบกมือปลอยโบกมือมาก็เป็นการรู้อย่างหนึ่งนะรู้การกระทบก็ได้กระทบท้องกระทบหน้าอกก็เป็นการรู้อย่างหนึ่งรู้ตอนหยุดก็ได้นะเออไม่ก็รู้เฉยๆได้ทั้งนั้นก็สึงว่าไม่ใช่ว่าคิดรู้แต่ก็สัมผัสรู้นั่นเองนะก็เป็นอาษัยการรู้เฉยๆนั่นแหละอ่ารู้โดยไม่ต้องคิดอะไรนะแค่รู้เฉยๆก็พอแล้วไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรกับเขา หรือบางคนที่มีปัญญามากในทางโลกก็มานั่งคิดเออปฏิบัติอย่างนี้มันถูกต้องไหมปฏิบัติแล้วจะได้อะไรอ่าอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยนะมันก็มีปัญหาตามมานังเขาเรียกว่าเราไปคิดเอาแล้วนะอแต่จริงๆมันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วมันจะยิ่งง่ายมากนะเมื่อคนชนบทเนี่ยก็ง่ายๆกันชีวิตเาก็ง่ายๆาก็สามารถที่จะเขาถึงทําได้เร็วแต่คนยุคเราบางทีมันมีอาจจะคิดมากเกินไปมันก็เลยไปอยู่แค่ความคิดเท่านั้นเองนะ มันก็อาจจะไม่ได้เข้าถึงในตรงนั้นนะพนรุ่งเมธเนี่ลลนก็เป็นคนชนบทนั่นแหละท่านก็ไม่ได้มีความรู้สูงอะไรนะแม้แต่ลมข้ามเขียนนั่นก็ไม่ได้อ่าคล้ายๆว่าไม่ได้มาทางโลกอะไรเยอะนะั้นท่านก็ชีวิตง่ายๆเหมือ น, นกันใช่ไหม อ, อันนี้นอาจจะเป็นความง่ายของคนที่เขาที่คนง่ายๆที่เขาไม่ได้คิดอะไรเยอะนะไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ที่มีปัญญาในทางโลกมากก็จะหาเหตุหาผลเพราะมันจะกลายเป็นคิดรู้ไปไม่ใช่ว่าสัมผัสรู้นะ ก็เลยการไปบัตรมันก็เลยยากขึ้นนะอ่าบางทีคนเดินนี่แหละบางทีอาจารย์ทรงติณก็บอกว่าเอออ่าไปใช้หัวเดินนะไม่ใช่เท้าเดินอ่าคนเลยเข้าใจโอ้มันต้องใช้เท้าเดินนะไม่ใช่หัวเดินก็คือเดินไปคิดไปนั่นเองนะอ่าใช้เท้าเดินก็คือเดินแล้วก็รู้กระทบก็ก็จบแล้วนะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดไอ้เรื่องความคิดหรือความสงสัยต่างๆมันก็จบในตรงนั้นแล้วนะ ที่เราสงสัยก็รู้ว่าสงสัยเมื่อ จ, จบตรงนั้นแล้วไม่ต้องไปหาคําตอบอีกนะก็คือให้ออกจากความคิดให้ได้นะก็คือออกจากความคิดมากลับมาเป็นรู้สึกแทนเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะสัมผัสรู้ไม่ใช่คิดรู้เนี่ยการแบบทำมันก็มันก็ง่ายะนะครั้นี้พอเราสังเกตเนี่ยเรื่อยๆเราก็จะเห็นความคิดได้ชัดขึ้นเรื่อยๆน ะ, ะเห็นเออมีความคิดมาก่อนนั้นเราคิดไปสิบครั้งเราก็ไม่รู้หรอกแต่ตอนหลังใ น, นเราเริ่มคิดไปสักครั้งสองครั้งเราก็เริ่มรู้ละเออ รู้แล้วเราก็ไม่ไปยุ่งกับความคิดแล้วก็ออกมารู้สึกตัวใหม่อ่าประเดี๋ยวมันก็เข้าไปในความคิดอีกแล้วก็กลารู้สึกตัวใหม่เพราะเราจะเริ่มเห็นความคิดได้ไวขึ้นนะเมื่อก่อนเราคิดไปสิเรื่องเราก็จะเห็นตอนหลังเราคิดเป็นเรื่องหนึ่งเราก็เห็นละตอนหลังเราคิดไปแค่ครึ่งเรื่องเราก็เห็นละนะเออมันก็จะไวขึ้นนะพะจิตมันเห็นความคิดได้ไวขึ้นมันก็จะเห็นอารมณ์ต่างๆได้ไวขึ้นด้วยนะเพราะอารมณ์มันก็เกิดจากความคิดนั่นเองนะ ความคิดไม่ไปปรุงแต่งต่อเป็นความรักความชางังความโกรธความเกลียดเยอะๆเราก็เห็นพวงนี้ได้ง่ายขึ้นนะเพอเราเห็นอารมณ์ได้ง่ายขึ้นเราก็ออกจากรมได้ง่ายขึ้นเหมือนกันนะแต่ถ้าใครที่ไม่เห็นอารมณ์มันก็ออกจากรมไม่ได้หรอกใช่ไหมมันก็เราจะละ ก, กิ เ, เลสเนี่ยถ้าเราเราไม่เห็นกิเลสเราก็ละก็ไม่ได้นะเพราะนั้นอารมณ์ก็เหมือนกันเราก็ต้องเห็นเขาก่อนนะเห็นนี่ไม่ใช่เราเข้าไปเป็นนะก็คือเราแค่เห็นเขาก็พอแล้วเห็นก็เราก็ก็ไม่ไปยุ่งกับเขานะ ส่วนเขาจะมีหรือไม่มกีก็ไม่เกี่ยวกับเราพ่อลมจริงๆแล้วเขาเกิดเขาเองนะไม่ได้ว่าเราทําให้เขาเกิดหรอกมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะเช่นคนเขคนเขมามด่าเราเนี่ยคนเขมามดาเราจริงๆเรารู้เฉยๆนะเราไม่คิดอะไรเราก็ไม่โกรธแต่เวลาเขามาดาา่าล้วเราก็ไปคิดต่อนั่นเองนะเออเขามาด่าเรามาว่าเราเรื่องแค่นี้มาว่าเราเราไม่ทําผิดสัหน่อยมาว่าได้ไงไม่รู้เลยว่าเราเป็นใครเคยทําบุญคุณนี่ต้องเยอะทำให้ไม่เห็นนะเราไปคิดปุ๊บล้วก็โกรธ แ, แล้วนะ แต่ถ้าเขามาว่าเราเราไม่คิดอะไรเรารู้เฉยๆมันก็ไม่โกรธหรอกเพราะนั้นอารมณ์จริงๆเนี่ยมันเกิดจากเราไปคิดต่อนั่นเองนะมันไม่ใช่เกิดมันไม่เกิดจากตัวเรานะคิดต่อก็คือจิตมันไปคิดนั่นเองนะอันนี้เราต้องสรุปให้ไวนะเพราะไม่งั้นกลายเป็นตัวตนเราตลอดเวลาเพราะการปฏิบัติธรรมในจริงๆนี่ให้ออกจากตัวตนนี้นให้ได้เลยนะเราจะสังเกตว่าเรามันคิดทั้งวันอยู่แล้วนะไม่มีใครจริงๆแล้วถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่มีขยากคิดหรอก แต่ว่าเราจะเห็นความคิดมันทํางานได้เองนะเดี๋ยวก็คิดละเดี๋ยวก็คิดละเข้าใจไตรงนี้เราจะสังเกตได้ไวขึ้นอเราเห็นเนอะมันคิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปเองคิดแล้วก็ดับไปเองนี่แสดงว่าจิตมันทํางานเองนะไม่ใช่เราทํามันก็จะสรุปได้ง่ายขึ้นว่าเออเป็นเรื่องของเขาเองนะเป็นเรื่องที่จิตเขาคิดเขาเองไม่ได้เกี่ยวกับเราเมันจะเป็นการแยกมาเลยนะอเราสรุปได้ตรงนี้มันก็ทําให้เห็นว่าเออมันมันเป็นจิตนะไม่ใช่เราอย่างที่พระเจ้าบอกว่ากายและใจไม่ใช่ตัวเมตตน เพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่าเออ erm เราสรุปได้ไหมว่ากายและใจไม่ใช่ตัวไม่ตนของเร า, าจริงๆนะโดยเฉพาะ อ, อย่างกายนีย่เราก็เห็นแล้วไม่ใช่ของเราแน่นอนนะมันก็แก่เจ็บตายของเขาไปนั่นแหละถ้าเป็นเราแ ล, <S <s <icia> <S แล้วก็แย่ยโดนไปเผาเราก็ร้อนแย่ใช่ไหมก็เป็นเรื่องของเขาเองเราก็รู้ละกายไม่ใช่เราส่ ว, วนจินต น, นี่เราไปคิดว่าเป็นของเราตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเราเวลาเราโกรธล้วก็ว่าเราโกรธเรารักก็ว่าเรารักเราชังก็ว่าเราชัง เนีเพราะว่าเรายังเรายั ง, ยงอมองไม่เห็นในตรงนี้น่ะที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่ากายและใจมัยงเราอเราก็เลยออกใจตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่าตอนหลังเราจะสังเกตไปเรื่อยๆแล้วเออความคิดมันก็เกิดแล้วนะเดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะมันคิดวันหนึ่งต้องเยอะแยะเป็นหมื่นหมื่นครั้งนะอแม้แต่เรานอนหลับก็ยังคิดเลยนะเป็นความฝันนะหรือถ้าเราเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไปตรวจขึ้นตสมองเรานะมันก็ขึ้นขึ้นลงตลอดเวลานะมันขึ้นขึ้นลงตลอดเวลานั่นแหละอ่า แสดงว่ามันคิดตลอดเวลาเลยเราไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดมันเองใช่ไหมแสดงว่าจิตมันทํางานเองมันไม่เกี่ยวกับเราเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆเหมือนกันความโกรธความรักความชางังมันก็เป็นของเขาเองนะเป็นเรื่องของจิตเองอเป็นเรื่องของจิตเองไม่ได้เกี่ยวกับเราอเพียงแต่เราไปยึดเขาว่าเป็นของเราปุ๊บเราก็ทุกข์ทันทีเนาะแต่เราสรุปได้เมื่อไหร่ว่าเออกายและจิตแม่เงเรานะสิ่งที่เกิดจากจิตนะก็คืออาการต่างๆของจิตนั่นเองเนาะอันนี้เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาแล้วนะ เพราะว่าการและจิตของเราไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราแล้วเนี่ยบางครั้งจิตเขา<ๆ> ก, ก็จะแสดงตัวเขาเออกมาเหมือนกันการแสดงตัวของจิตก็คือเขาสามารถแสดงอาการของจิตได้นะถ้าเขาไม่แสดงตัวนี้แสดงว่าไม่มีจิตหรอกแต่เมื่อมีจิตอยู่เขาจะแสดงอาการของจิตนะเช่นอารมณ์ต่างๆหรือความคิดพอเขาแสดงอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็คือแสดงการจิตปุ๊บเนี่ยเราก็ไปตู่เลยว่าเออเราเป็นเราแล้วเราโกรธเวลาเขาแสดงความโกรธล้วก็ว่าเราโกรธ เขาลักเราก็ว่าเรารักเขาชังว่าเราชังเขาคิดก็ว่าเราคิดก็มีตัวเราไปตู่เองนะแต่ความจริงจิตเขาแค่แสดงการเอ่นั้นเองนะพอเขาแสดงอาการปุ๊บถ้าเราสรุปได้ว่าเป็นของเขาเองจิตของเขาเองเขาคิดก็คิดของเขาเองเขารักเขาชังเขาโกรกก็เรื่องเขาเองนี่ปุ๊บมันก็จะหยุดเลยนะมันก็กลายว่าเราออกจากตรงนั้นมาได้ไม่ของเราเพราะฉนั้นเขาจะเขาจะโกรธจะรักจะชังก็ไม่เกี่ยวกับเรานะมันก็ออกมาทันทีนะ ในสุดมันจิตมันจะวางโดตัวของเขาเองได้สรุปไปบ่อยๆเออมันก็วางเขาเองได้เองเหมือนกันนะมันกลายว่ามันวางโดยตัวของเขาเองไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรานะตรงนี้มันก็จะเป็นการว่าไม่ตัวไม่ตนของเราจริงๆมันเป็นการเราว่ารูปนามที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราเข้าใจในสภาวะธรรมที่เป็นสัญธรรมของเขาเองว่าทุกอย่างนะทุกอย่างก็คือสัพเพสังขาราอนิจาติทุกขาติ อนัตตาติ่นั่นเองก็คือทุกอย่างนะคือร่างกายจิตใจนี่แหละอ่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเมตตนบังคับบัญชาก็ไม่ได้เนาะถ้าเราเข้าในตรงนี้ปั๊บเนี่ยมันจะวางเขาเองก็จะวางตัววางตน ว, วางความยึดติดในขันหานี้ได้โดยตัวของเขาเองนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเข้าถึงความลักิเลสได้มันจะต้องเริ่มต้นที่ตรงนี้ก่อนว่าสังโยชนี่มีอยู่สิบข้อนะ คือถ้าผู้ใดละได้สิบข้อนี้ก็เป็นพระอรหันต์แต่ข้อแรกก็คือการละสักกายติทิฏินี่แหละการละสักกายทิฏิก็คือการละความยึดมั่นถือมาในตัวตนนี่แหละต้องเริ่มตรงนี้ได้ก่อนนะเพราเราเริ่มตรงนี้ตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยกิเลสต่างๆก็จะละได้เองนะแต่ถ้าตรงนี้ยังละไม่ได้เนี่ยมันก็กิเลสต่างๆมันก็ละไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นเราอยู่นะเราโกรธเราลัก เ, เราชังอยู่ตลอดเวลาน ะ, น ะ, ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจเจริญสติแล้วเราจะเห็นตรงนี้ได้ชัดขึ้นว่า จิตก็ทํางานเขาเองได้นะอะเห็นความเกิดความดับความตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตของเขาได้อย่างชัดเจนเลยนะเอะ ม, มันก็เห็นว่าเข้ามาเข้าไปไม่เกี่ยวกับเราเลยนะเป็นตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นนะจิตก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆวางวางทั้งหมดเลยนะอันนี้ยมันก็เป็นที่เราว่าเราสามารถที่จะทําให้ใจของเราในผ่องใสเบิสุดได้จริงๆนะการผ่องใสเบิสุดเนี่ยก็เกิดจากการที่เราเข้าใจตามความเป็นจริงนั่นเองแล้วจิตเขาก็จะวางเขาเองได้เนาะ ก็ขอทุกท่านนะเจริญนะในศีลสติสมาธิปัญญาและถึงเรื่องความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานุท่านเทิญ